เรามีความคิดใดๆเรารู้ไม่ทันความคิดนั้นก็ไปปรุงแต่งต่อทําให้เกิดตันหาก็คือความทยานอยากไปในรถต่างๆแล้วเราไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานต่อไปนะอุปทานนี่ก็คือสาเหตุแห่งความทุกข์ท้าจริงนั่นก็คือความที่เราไปยึดมั่นในความเป็นตัวเป็นตนของเราในความเป็นผู้อื่นว่าเป็นตัวเป็นตนของเขานะหรือทรัพย์สินสมบัติต่างๆว่าเป็นของเราแม้แต่ลูกหลานญนะาติพี่น้องก็ยึดเป็นของเราทั้งหมด นะก็เป็นวัฏจัรที่มันจะนําความทุกข์มาให้กับเราทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นจากวิชาก่อให้เกิดตัณหาคือความทะยันอยากและนําไปสู่วัฏจักรคือความคิดมันถือมันซึ่งเป็นสาเหตุแหงความทุกข์ที่แท้จริงนะแล้วมันก็ออกมาในรูปแบบของความคิดต่างๆอะไรที่มากระทบกับตัวตนของเราเราก็มีความกโกรธมีความไม่พอใจนะหรือมากระทบกับสิ่งที่เรารักอนะ ของที่เราหายไปลูกหลานของเราเจ็บป่วยญาติพี่น้องของเราไม่สบายเลยจากไปเราก็มีความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะก็เกิดจากความคิดที่เราไปปรุงแต่งเราไปยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนะก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็มีหนทางอีกทางหนึ่งก็คือความพ้นทุกข์นะความพ้นทุกข์ <c oughs> ก็มีนิโรดนิโรดก็คือพระนิพพาน ซึ่งเป็นความดับความเย็นการออกจีกกเกลสทั้งหลายนะการที่เราจะเข้าสู่ความพ้นทุกข์ก็คือเราก็ต้องมีมรรคมรรคก็คือขนทางหรือเส้นทางที่พระเจ้าได้ให้ขนทางนีไว้แล้วคือมรรคไม่ลงแปลงมรรคไม่ลงแปลกก็มีสามมาทิฏฐิเริ่มต้นจากสามมาทิฏฐิก่อนคือเราจะมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะก็คือเห็นประการแรกก็ น, นั่นก็คือว่า เห็นว่าการที่เรา <c oughs> เนี่ยมาอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่เรามีเพียงปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่เราก็ยังมีอดีตนะมีชาติก่อนก่อนๆ น, นั้นก็มีนะบาปบุญคุณโทษเราก็มีอยู่นะสิ่งต่างๆเราเนี่ยก็มาเป็นผลทำให้เราเนี่ยจะต้องมามีชีวิตอยู่นั่นก็คือเกิดจากอดีตอดีตที่เราเคยมีมาแล้วนะ สมาธินี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่รู้จักสมาธิที่ถูกต้องเราก็คนทางที่ออกจากทุกข์ไม่ได้เช่นเราไม่เชื่อว่าบาบุญมีจริงนะลกสวรรค์ไม่จริงชาติหน้าไม่จริงเราก็ไม่หาหนทางที่จะเอาจากความทุกข์เพราะนั้นผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นจึงเป็นสิ่งที่ปิดบังหนทางที่จะพ้นทุกข์อย่างแน่นอนนะเาเรียกว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ย ยังน่ากลัวยิ่งกว่าโจรผู้ร้ายนะที่มาฆ่าฟันเราซะอีกนะโจรผู้ร้ายที่มาฆ่าฟันเราอันนั้นชื่อว่าเบียดเบียน เ, เฉพาะในปัจจุบันส่วนถ้าผู้ที่เป็นมิจฉาทิถีแล้วเนี่ยเบียดเบียนไปตลอดทั้งภพนี้และภพหน้านะคนที่เป็นมิจฉาติถีก็จะไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมนะเพราะไ ม, ไม่เชื่อว่าบาปบุญไม่จริงก็จะทําสิ่งต่างๆที่คิดว่าทํา ได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องผวงถึงผลที่จะตามมาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นทุกวันนี้สังคมมีความลําบากมีความทุกข์ความยากก็เพราะคนเช่นนี้นั่นแหละยังอยู่กันเป็นจำนวนมากนะด้วยผลกรรมเหล่านั้นก็จะนําให้เข้าสู่ความทุกข์ต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติต่ตอไปนะเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นอันตรายที่สําคัญที่สุดอันตรายยิ่งกว่าโจรกว่าบุาลที่จะเอามาฆ่าฟันเราเะอีกนะ เพราะนั <emás>. ้น <altung> สิ่งที่เป็นมิจฉาทิฐินี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องออกมาจากสิ่งเหล่านั้นให้ได้นะแล้วเราก็จะต้องมีสัมมาสังกัปโตก็คือมีความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้นะความคิดถูกต้องนั่นก็คือการที่เรารู้เท่าทันและออกจากกองทุกันเองนะออกจากกองทุกความคิดที่จะออกจากกองทุกออกจาก ความกเกลียตัณหานะเป็นความคิดที่ถูกต้องนะเราต้องมีสัมมาวาจามีการเจรจาชอบไม่พูดโกหกต่างๆเป็นต้นนะสัมมากรรมันโตมีการงานชอบการงานชอบตามหลักของพระศาสนาน ก, ก็คือการมีศีล น, นั่นเองนะการที่เรามีศีลศีลห้าเป็นต้นนั่นก็คือการงานชอบนะในลนักษณะของมรรคไม่งูแปดนะ หลังนั้นเราก็มีสัมมาอาชีโวมีอาชีพที่ชอบอาชีพที่ชอบก็เป็นสิ่งที่เราดํารงชีวิตได้ด้วยความถูกต้องอไม่ไปในหนทางที่ผิดเช่นไปมีอาชีพในทางค้าขายยาสติดหรือในทางมิชาชีพต่างๆเป็นต้นหลังจากนั้นเราก็ต้องมีสัมมาวายโมก็คือมีความเพียรชอบความเพียรชอบเป็นสิ่งที่ สำคัญอย่างยิ่งเลยในการที่จะเราจะาจากองทุกข์ถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความขยันนะเราจะอาจาบกองทุกข์ไม่ได้แ น, น่นอะนต้องมีความเพียรให้ได้ก่อนความเพียรก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องประกอบขึ้นมาเนะช่นเราจะต้องมีความตั้งใจนะมีความขยันในการที่เราปฏิบัติธรรมนะถ้าเราไมนะ่สนใจสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยนะผู้ที่ มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติแต่ว่าไม่มีความเพียรแล้วเนี่ยออกจากกองทุกไม่ได้แน่นอนนะหลังจากนั้นเราก็ต้องมีสัมมาสติก็คือความระลึกชอบนั่นเองนะระลึกระลึกได้ว่าเราขณะนี้กําลังทำอะไรอยู่ระลึกได้ว่าเราขณะนี้กําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนนะกำลังดื่มกําลังกินกําลังพูดกําลังคิดนะก้มเงยต่างๆคืออิริบฏใหญ่หลืออย่อยอ่าไม่ว่าจะเป็นความคิด หรืออยตุบทตต่างๆนี่เราก็รู้ให้เท่าทั น, นแม้แตามลมต่างๆเช่นความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นในใจเราเราก็รู้ให้เท่าทันนี่ก็คือความระลึกชอบก็คือการที่เราสามารถระลึกได้ว่าปัจจุบันนี้เรามีอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นทั้งกายและใจนะหลังนั้นเราก็ต้องมีสัมมาสมาธิก็คือความตั้งมั่นชอบเมื่อเรามีความ ระลึกชอบคือมีสติดีแล้วเนี่ยสมาธิก็จะตามมาเองนะสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตที่จะเรารู้เท่าทันในขณะนั้นว่าเราเนี่ยสติของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความรู้ตัวได้ชัดเจนอันนี้เ้าเรียกว่าจิตเรามีความตั้งมั่นเป็นสมาธิซึ่งสมาธินี้นะเราไม่จำเป็นจะต้องถึงสมาธิระดับลึกๆ ก, ก็ได้สมาธิก็มีสาม ร, ระดับก็คือ คณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วคราวสมาธิเป็นครั้งคราวซึ่งสมาธิระดับคณิกะนี่ก็สามารถนาให้เราพ้นจากความทุกข์ได้แล้วนะไม่ต้องไปถึงอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิซึ่งเป็นสมาธิที่ละเอียดอันนั้นก็ไม่จำเป็นนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติในมรรคเมองปาลองแปดนี้นะก็เป็นหนทางที่จะนาให้เราพ้นจากความทุกข์ได้นะ ดังนั้นในพุทธศาสนานี้ถ้ า, าสรุปแล้วก็มีแค่2ประเด็นเท่านั้นเองนั่นก็คือการที่เราเห็นความทุกข์ก่อนอันนี้เป็นหลักสําคัญมากเลยเห็นความทุกข์ประการที่สองเราจะต้องบัติเพื่อความดับทุกข์นั้ น, นเท่านี้นเองนะเป็นการสรุปหลักพุทธศาสนาหมดถ้าเราเข้าใจในแค่ประเด็นเนี้ยเราก็จะง่ายขึ้นเพราะถ้าเราไม่เข้าใจในตัวนี้เราจะไปค้นคว้า ไปศึกษาก็ไม่รู้จักจบจากสิน้นเพราะว่าในธรรมะมีมากมายถึง 84,000 มนสันธรรคคตญแต่ถ้าเราเข้าใจว่าออมีความทุกข์แล้วก็ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์แค่นี้เท่านั้นเองง่ายๆง่ายๆเท่านั้นเองนะเราก็จะออกจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะและการที่เรามาปฏิบัติในครั้งนี้นะเราก็อาศัยปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสนะ ซึ่งในยุคแรกๆนั้นท่านก็จะพูดในเรื่องต่างๆไว้เยอะเหมือนกันในในแนวทางอื่นๆแต่ในระยะหลังท่านก็จะมาพูดในสติปัฏฐานสี่เป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าการที่สติปัฏฐานสีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมรรคหรือเป็นขนทางเป็นทางสายเอกก็ว่าได้นะสติปัฏฐานสีก็เริ่มด้วยกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือ มีสติตามรู้กายนะกายานะกายบวกอนุปัสนานะอนุก็คือการที่เราตามนะปัสนาก็คือการที่เรารู้นะก็คือมีสติตามรู้กายนะตามรู้กายในอิริศบทใหญ่คือการยืนเดินนั่งนอนนะเราก็ต้อง มีสติรู้ในขณะนั้นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กาลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนนะอีรบทย่อยนะดื่มกินพูดคิดคู่แขหยหเดียดแขนก้มเหนยต่างๆอ่าแม้แต่การกระพริบตาอ้าปากเคี้ยวอาหารต่างๆเหล่านี้คืออีรูปย่อยทั้งหมดเลยนะเราก็ต้องรู้เท่าทันในอีรูปใหญ่และอีรูย่อยซึ่งผู้ใดสามารถตามรู้ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็น ว่าร่างกายจิตใจเรานี้มันทำงานอย่างไรนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจในตัวเราเองโดยอาศัยฐานกายเนี่ยมาเป็นจุดหรือเป็นกรรมฐานก็เรียกว่ากรรมฐานอยู่ที่ฐานกายนะเอาฐานกายนี้มาในการที่เราจะตามรู้มันนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวอยู่ประจาอยู่แล้วนะมีการยืนเดินนั่งนอนต่างๆเป็นต้น นะแต่ว่าเราไม่มีสติเข้าไปตามรู้ในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะเมื่อเราไม่มีสติเข้าไปตามรู้มันก็เลยหลงไปนะหลงไปในความคิดต่างๆหลงไปในอดีตไปในอนาคตเพราะว่าเราไม่มีตัวรู้นั่นเองนะเขาเรียกว่าเมื่อเราหลงเราก็ไม่รู้แต่เมื่อเรารู้มันก็จะไม่หลงนะสิ่งที่เรามาทำวิธีการ ในการเคลื่อนไหวก็ค <allá> like so, who ือเราฝึกตัวรู้ให้มากขึ้นนะเมื่อเรารู้ได้บ่อยๆนะเเรียกว่าเป็นการขย่าวธาตุรู้ให้ตื่นตัวขึ้นมาเพราะว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีธาตุรู้กันทุกคนอยู่แล้วนั่นก็คือความที่เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือว่าความเป็นพุทธะเนี่ยมีอยู่ทุกคนนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่มันนอนเนื่องมันไม่ได้ถูกปลุกขึ้นมาไม่ได้ฝึกให้ตัวรู้เนี่ยเกิดขึ้นมาบ่อยๆนะ การที่เรามาฝึกโดยการเคลื่อนไหวตบสีจังหวะหรือการเดิจงกรเมเป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นการเขย่าทานรู้นั่นเองคือให้รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้มากๆรู้ถีๆรู้ให้ต่อเนื่องไปลูกโซ่เนี่ยเป็นการเขย่าทานรู้ดังนั้นเราเราจึงไม่ใช้วิธีการที่เราจะนั่งนิ่งๆหรือว่าทําความสงบไม่เคลื่อนไหวอันนั้นไม่ได้เป็นการเขย่าทานรู้ให้เกิดขึ้นมา แต่การที่เราเคลื่อนไหวแต่ละครั้งนะมีการเคลื่อนไหวมือหยุดนะเดินจงกรมสิ่งเรล่านียเ้าเรียกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรู้เท่าทันนะในการเคลื่อนไหวต่างๆได้ไหมนะกายเคลื่อนไหวในใจเราก็เข้าไปรับรู้การที่ใจเราไปรับรู้แต่ละครั้งในการเคลื่อนไหวนั่นแหละ เ, เป็นการเขยา่าทันรู้นั่นเองนะคือให้ใจเนี่ยรู้รับรู้ไปเรื่อยๆ โดยอาศัยฐานกายเนี่ยเป็นหลักคราวนี้ถ้าเราทำไปบ่อยๆแล้วออมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครูบาอาจารย์นั้นก็เป็นผู้ที่เดินผ่านทางนี้มาแล้วนะเหมือนกับเขาบอกว่าขนทางเนี่ยเป็นขนทางที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์แต่ถ้าผู้ที่บอกเราว่าขนทางเนี่ยจะเดินไปทางไหนแต่ว่าเขาไม่เคยเดินมาก่อนนะ ถ้าเขาบอกเราไปโดยที่เขาไม่เคยเดินทางนั้นแล้วเราก็เดินไปตามที่เขาบอกเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะอาจจะเป็นการเดินหลงทางก็ได้นะหรือว่าเดินไม่หลงทางแต่ว่ามันเดินเดินยาวนานนะเดินยาวนานกว่ามันจะถึงคนทางที่ถึงความผนทุกนั้นแต่ถ้าผู้ที่เคยเดินผ่านมาแล้วเนะี่ยเคยเดินผ่านมาแล้วแล้วก็มาบอกเราว่าทางเนี่ยมันเดินอย่างไรนะ แล้วเราก็เดินตามทางที่ท่านบอกเนี่ยอันนี้มันก็จะง่ายเพราะว่าเราจะไม่หลงทางหรือการหลงทางเนี่ยก็จะมีอยู่น้อยลงนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เคยเดินผ่านหนทางนี้มาแล้วอย่างเช่นหลวงพ่อเทียนอจิตทุสโพหรือหลวงพุทธเยนอสุวรรณโนเป็นต้นเนี่ยท่านก็เดินผ่านหนทางนี้มาแล้วแล้วท่านก็ยืนยันว่าเออเป็นทางที่เราจะพ้นทุกข์ได้จริงๆนะเมื่อท่านบอกมาแบบนี้เราก็เข้าใจนะแล้วเราก็ปฏิบัติตามเราก็มีทางที่จะพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกันนะ เพราะคนทางในเส้นทางนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่ ไ, มได้เป็นสิ่งที่ยากเกินไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เอาความสงบไม่ได้เอาสมาธินะถ้าเรามุ่งความสงบแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ยากนะแค่เราจะทำให้จิตเกิดความสงบตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นเอก ก, ะกะตาหรือเป็นอัปนาสมาธินี่เป็นสิ่งที่ยากมากเลยบางคนฝึกปฏิบัติมาเป็นหลายๆปีหรือเป็นสิปีก็ยังไม่ถึงอัปนาสมาธิสักทีหนึ่ง นะแม้แต่พื้นฐานของสมาธิก็ยังไม่ได้แล้วจะไปเจเริ่องวิปัสนาต่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากนะแต่หนทางนี้เขาเรียกว่าเราไม่เอาความสงบแต่ว่าเราเอาความรู้สึกตัวเป็นหลักนั่นก็คือกายเคลื่อนไหวเนี่ยใจรับรู้ไปด้วยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยเพราะว่าเราจากการที่เราเคลื่อนไหวเราใจเราไม่รับรู้เนะี่ยเราฝึกให้กลับมารับรู้ใหม่นะกลับมารับรู้ทุกทุครั้งที่มีการเคลื่อนไหวนะเมื่อเรารับรู้ในสิ่งเหล่าเนี่ย สิ่งที่ตามมานั่นคือการที่เราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะใจรับรู้นี่ก็อยู่กับปัจจุบันแล้วนะอยู่กับปัจจุบันเลยไม่ต้องไปหาปัจจุบันที่ไหนซึ่งมันเป็นสิ่งที่หายากแต่เมื่อเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่นั่นก็คืออยู่กับปัจจุบันแล้วนะปัจจุบันขณะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเพราะว่าเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันปั๊บเนี่ยเราจะรู้เท่าทันถึงอดีตหรือนาคที่มันเกิดขึ้นมาในความคิดของเรานะการเราอยู่กับปัจจุบันนี้ เป็นสิ่งที่เราแต่ละขณะแต่ละขณะคือความเป็นจริงนะไม่ใช่เป็นของปลอมนะเป็นของจริงซึ่งเราสัมผัสไดนะ้แต่ถ้าเราไม่อยู่ปัจจุบัต น, นะอย่างเช่นเราเข้าไปในอดีตหรือเป็นอนาคตต่างๆเป็นตอัวนอั้นที่เป็นของปลอมหมดเลยนะหรือแม้แต่นิมิตต่างๆที่เกิดจากสมาธิอันนั้นก็เป็นของปลอมเหมือนกัน แต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันอันนี้คือของจริงทั้งหมดนะเป็นของจริงที่เราสัมผัสได้จริงๆว่าขณะนี้เรากำลังทําอะไรอยู่กําลังเคลื่อนไหวมืออยู่กําลังนั่งอยู่คือของจริงทั้งหมดเมื่อเราฝึกได้ไบ่อยๆนะความเ ป, ป็นปกติในใจเราก็จะเกิดขึ้นนะปกตินี้เกิดขึ้นจากการที่เราอยู่กับตัวรู้นั่นเองนะอยู่ตัวรู้มันก็จะกลับมาสู่ความเป็นปกติได้ทุกครั้งและเมื่อเราสามารถอยู่กับปกติได้นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะ อยู่กับความเป็นผู้รู้ได้นั่นเองนะผู้รู้นี่ก็คือความเป็นปกติของจิตนั่นเองเมื่อจิตที่ไม่ปกติเกิดขึ้นนะนั่นก็คือความที่เราสามารถรู้เท่าทันได้ว่ามันไม่ปกติแล้วเพราะว่าเราสามารถที่จาสภาวะที่ปกติได้นั่นเองนะความไม่ปกตินั้นเป็นสิ่งที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเราก็เกิดขึ้นได้อยู่บ่อย แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่อยากจะรู้ได้ว่ามันเป็นปกติหรือไม่นะต่อเมื่อเรามีผู้รู้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเป็นปุติได้นั่นเองนะแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันไม่ปกติก็คือเราจะต้องรู้ว่ามันไม่ปุติเป็นอย่างไรความไม่ปกตินั่นก็คือความคิดต่างๆที่มันปรุงแต่งเป็นอารมณ์ความรักความโลภความชังความโกรธความหลงความเกลียดความกลัวความอิจฉารือเสความหึงหวง ความน้อยใจความเสียใจสิ่งเหล่านี้ก็คือความไม่ปกติทั้งหมดนะเราฝึกเห็น บ, บ่อย <ys> ๆนะฝึกให้บ่อยๆแล้วเราก็จํา <ys> จําได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อเราสามารถรู้เท่าทันความไม่ปกติได้แล้วเนี่ยอันนี้นะความปกติก็จะเกิดขึ้นมาได้เองนะเกิดขึ้นจากการที่เราเห็นสภาวะธรรมบ่อยๆนะยิ่งเรารู้เท่าทันนะอารมณ์ต่างๆได้บ่อยขึ้นรู้เท่าทันความคิดได้บ่อยขึ้น อันนี้แหละก็เรียกว่าเป็นผู้รู้เกิดขึ้นแล้วนะผู้รู้ที่จะรู้เท่าทันสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยที่เราไม่ต้องไปสร้างหรือว่าไปทำให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะนั่นก็คือเกิดจากการที่เราฝึกที่จะรู้เท่าทันนะการเคลื่อนไหวโดยเอาสารร์ ฐ, ฐานกาย เ, นยเป็นหลักก่อนนะเมื่อฐานกายเนี่ยเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเนี่ยนะ พอเราเคลื่อนไหวแบบรู้เฉยๆรู้เฉยๆในความเป็นปกติก็จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความปกติและความไม่ปกติที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ชัดเจนนะยิ่งเราเห็นบ่อยๆแล้วเนี่ยความเป็นผู้รู้เราก็ค่อยๆตื่นมากขึ้นเรื่อยๆตื่นมากขึ้นเรื่อยๆนะจนทั่งถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะจะทำงานได้เองโดยที่เราไม่ต้องมาสร้างจังหวะหรือเดินจงกลมก็ได้ เราจะเห็นความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ดับไปความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะความรักความชังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตาเราเลย น, ะนี่นี่คือคือผลจากการที่เราสามารถที่จะเป็นผู้รู้ได้มนะันก็จะทำงานในจุดนี้จะทำงานได้เองแล้วก็สิ่งเราเนียเป็นสิ่งที่สำคัญมากการที่เรารู้เห็นเท่าทันอารมณ์ต่างๆเนี่ย S <S <an> <S เขาเรียกว่าเราสามารถที่จะรู้เท่าทันกิเลสได้นั่นเองนะกิเลสนี่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องละแต่ว่าการที่เราจะละเนี่ยมันยากนะอย่างเช่นความโกรธเนี่ยจะละได้ยากมากเลยเมื่อมีความโกรธขึ้นเราจะทำอย่างไรให้ความโกรธนดับไปละไปหรือให้หมดไปจากใจเราเป็นสิ่งที่ยากมากสิ่งสำคัญก็คือเรารู้ไหมเท่านั้นเองนะเราไม่ต้องไปตั้งใจที่จะละแต่ว่าเราจะต้องรู้ นะเราจะละกิเลสตรงๆเนี่ยไม่ได้แต่ว่าเราสามารถรู้เท่าทันกิเลสได้นะการที่เรารู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายกว <liver> ่าการที่เราตั้งใจจะละเยอะเลยนะ <Barbie> แล้วการที่เราจะรู้ได้อย่างไรนะก็อย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่าแค่เรารู้เท่าทันนะความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะเราก็จะรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆด้วยอารมณ์ต่างๆที <Barbie> ่เกิดขึ้นนั้น มันจะมีผลในใจของเราไปนานเท่าที่เราไม่รู้นะแต่เมื่อเวาที่เรารู้มันปั๊บเนี่ยมันก็จะเบาลงทันทีนะ่งเช่นความโกรธเนี่ยถ้าเรารู้ไม่เท่าทันมันจะตั้งอยู่ในใจเรานานมากเป็นวันวันะแต่พอเรารู้เท่าทันมันปั๊บเนี่ยมันจะเบาลงเบาลงแล้วมันก็จะดับไปอย่างรวดเร็วนะการที่เราฝึกอยู่กับฐานใจบ่อยๆก็เรียกว่ากายานุปัสนาสติปฐานนะ แต่ฐานอื่นๆเช่นเวทนาเวทนาหรือจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนามันก็จะรู้ตามมาด้วยอย่างเช่นพอเร า, าฝึกในการที่เราเคลื่อนไหวสิบสีจังหวะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นากายานุปัสสนาสติปัฏฐานไปแล้วเนี่ยต่อมามันก็จะเกิดเวทนาขึ้นอยเช่นอาจจะมีความปวดความเมื่อยนะเราก็จะเห็นในจุดนี้ว่านี่ก็คือเวทนาอย่างหนึ่งนะ สิ่งเราเนี่ยเราไม่ได้ไปทำแต่ว่าเวทนาเราก็จะเห็นในจุดนี้ยังชัดเจนนะและในที่สุดมันก็จะผ่านไปนะผ่านไปเลยนะผ่านไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเรานั่งไปนานๆโดยที่เราไม่รีบเปลี่ยนในรบทเนี่ยเราจะเห็นเวทนาได้ชัดขึ้นนะแต่ในที่สุดมันก็แสดงความเกิดดับให้เราเห็นว่าเมื่อเรานั่งต่อไปให้นานขึ้นเนี่ยมันก็จะดับไปนะมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นกันนะ แล้วเราก็จะเข้าสู่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้เองนะโดยการที่เราเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ต่างๆได้ชัดเจนอันนี้ก็คือเข้าสู่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้อย่างโดยตัวมันเองนะไม่ต้องไปตั้งใจทียธรรมและในสุดเราก็จะเห็นอารมณ์หรือความคิดต่างๆเราเนี่ยมีความเกิดความดับต่อหน้าต่อตาเราเลยอันนี้ก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองนะเพราะฉะนั้นโดยสติปัฏฐาน4ี่แล้วเนี่ย เราเริ่มต้นเพียงฐานกายหรือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก่อนฐานอื่นมีเวทนาจิตตาและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็จะเห็นได้ทั้งหมดนะสามารถที่จะเข้าถึงฐานทั้งหมดได้โดเพียงจะเริ่มที่ฐานกายก่อนเท่านั้นนะอันนี้เนี่ยตรงสติปัฏฐานสี่แล้วเนี่ยก็เท่าในทรงตัดว่าผู้ใดซึ่งสามารถที่จะ ปฏิบัติได้ในฐานกายนะก็คือยืนเดินนั่งนอนอีกบทใหญ่เลยบทย่อยเนี่ยสามารถที่จะละลึกได้อย่างต่อเนื่องกันนะอย่างเร็วไม่เกินเ็ดวันอย่างกลางไม่เกิน7ดเดือนแล้วย่างช้าไม่เกินเจปีก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีหรือพระ้ า, าหัน์อย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนี้เป็นทางสายเอกนะที่พวกเรานํามาฝึกนั้นํามาปฏิบัติกันนะ หนทางสายนี้นะจริงๆแล้วเป็นหนทางที่ไม่ยาวหนทางที่สั้นอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเข้าใจในการปฏิบัติไหมนะแล้วเรามีความเพียรความตั้งใจดีไหมเท่านั้นเองนะเพราะเราตั้งใจปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบา ร, รมีนะบา ร, รมีเกิดขึ้นจากความตั้งใจความตั้งใจจริงนะเป็นบา ร, รมีที่สูงมากนะผู้ใดที่มีความตั้งใจจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ทุกๆคนเลย สมผู้ใดที่แม้จะมีความรู้มากขนาดไหนแต่ถ้าไม่ตั้งใจแล้วเนี่ยก็จะโอกาสที่จะบรรลุธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากนะแล้วเมื่อเราสามารถที่จะเข้าใจในธรรมเหล่านี้ได้เนี่ยเราจะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นอย่างรวดเร็วนะจากการที่เราเป็นคนหงุดหงิดเก่งหงุดหงิดง่ายนะอารมณ์เสีย บ, ยบย่อยๆเป็นคนใจร้อนนะเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะนี้ก็สามารถที่พิสูนได้โดยตัวเราเองเลยนะ เป็นสิ่งที่ครูบาจะอาจารย์ที่ในสายจลสตินั้นท่านพูดกันแทรบทุกองคนะว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนนะในเวลาเพียงแค่เจ็ดวันเท่า น, นั้นเองเราจะเห็นผลอย่างรวดเร็วนะขอให้เราปฏิบัติจริงๆอย่างต่อเนื่องตามที่พระอาจารย์ท่านได้แนะนำพวกเราในโอกาสต่อไปนะการที่เราตั้งใจปฏิบัติในขนทางนี้นะนอกจากว่าเรานะในปัจจุบันนี้เราจะ รู้สึกว่าความทุกข์มันน้อยลงไปแล้วจากความร่วมความโกรธความหลงมันน้อยลงไปแล้วเนี่ยมันยังจะส่งเสริมให้เราต่อไปนะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันจะต่อไปในอนาคตได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ า, า, วาการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่ว่าจบหรือว่าหมดไปนะแต่ว่ามันเป็นจุดที่มันเป็นการเริ่มต้นที่จะสืบต่อให้อนาคตของเราเนี่ยมันจะต้องน้อยลงสั้นลงนะ สั้นลงอย่างไรนะตราบใดที่เรายังมีกิเลสในใจเรามากอยู่ตราบใดภพชาติเราก็จะยาวนานเท่ากับกิเลสในใจอย่างเราตามนั้นนะแต่เมื่อตราบใดที่กิเลสในใจองเราเนี่ยลดลงค่อยๆลดลงแล้วนะบภพชาติมันก็จะสั้นลงไปด้วยนะเราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์หลายๆองค์เนี่ยท่านสามารถเป็นบัตธรรมได้เร็วนะ บ า, บางองค์เนี่ยปฏิบัติแป๊บเดียวท่านก็บรรู้ทำได้แล้วอย่างเช่นหลวงปู่เทีย น, นเป็นต้นนะตามประวัติของท่านปรากฏว่าท่านปฏิบัติโดยวิธีการเนี่ยยกมือเนี่ยหรือว่าเดินอยงกรมเนี่ยเพียงระยะไม่นานอาจจะช่วงแค่ไม่กี่วั น, นสองสาวันเท่านั้นเองท่านก็สามารถบรรลุธรรมได้แล้วท่านทั้งที่เป็นฆราวาสอยู่นะหรือครูบาอาจารย์อื่นๆก็เช่นกันนะอันนี้เกิดจาก การที่ท่านเคยปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนแล้วนะเหมือนกับน้ํานะน้ําที่มันอุ่นอยู่แล้วเนี่ยพอมาต้มแป๊บเดียวก็เดือดนะมันไม่ได้สูญหายหรือจางหายไปไหนนะเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัตินี้มันไม่ได้สูญหายไปไหนเลยนะมันจะต้องต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนคือเราไม่บรรลุในชาตินี้ชาติหน้าเราก็มีโอกาสที่จะบรรลุทําได้เร็วขึ้นนะซึ่งต่างกับ ความรู้ในทางโลกนะผู้ที่จบปริญญาโทรปริญญาเอกมาอันนั้นก็แค่ในชาตินี้เท่านั้นชาติต่อไปก็ต้องมาเริ่มต้นศึกษากันใหม่นะการที่เรามาเป็นบัตินี้ไม่ได้สูญหายไปไหนไม่เสียเวลาเปล่าๆเรามาเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นศูนยะ์ะมันจะเริ่มต้นแล้วก็นับไปเรื่อยๆเป็นล้อยเป็นพันเป็น1มืเป็ น, 10, ปนสก็เริ่มต้นจากศูนย์นี่เองนะดังนั้นนะใน ครั้งนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่เราจะเริ่มต้นปฏิบัติก็ขอให้เราเริ่มต้นด้วยวิริย ะ, ะคือความเพียร น, นะด้วยขันติคือความอดทนอดกั้นนะด้วยสมาธิด้วยปัญญานะก็คือเราปฏิบัติด้วยความขยันด้วยความอดทนนะ ที่เราจะตั้งใจปฏิบัติในเจวันนี้ว่าเราปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชานะพุทธบูชาที่เราบูชาตรงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านนะสั่งสอนให้เราโดยใช้เวลาถึงเสียอสงไขยกสายมากับในการที่ท่านจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลานานมากและนำคำสั่งสอนที่ความพ้นทุกข์ให้กับพวกเรา เมื่อกะท่านได้นำของดีมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะรับของดีนั้นไหมเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่เราได้มาปฏิปัติธรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งในชีวิตเหมือนก็เราได้เข้ามาสู่ขุมทองแล้วเนี่ยแล้วเราจะขุดทองไหมนะถ้าเราเข้าใจว่าบัดนี้มีทองอยู่เราก็ต้องตั้งใจขุดและเราก็จะเจอทองนั้นนะแต่เมื่อเราหยุดขุดเมื่อไหร่เราจะไม่ได้ทองเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะนั้นเมื่อเรามาแล้วก็ขอพวกเราตั้งใจขุดทองให้ดีนะตั้งใจขุดแล้วเราจะพบทองจริงๆนะทองนั้นก็คือความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนะแล้วเราจะรู้ว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่เสียชาติเกิดเลยนะและการที่เรามาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นในชีวิตของเราที่เราจะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอฝากทุกท่านนะตั้งใจให้ปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ และถึงซึ่งความพ้นทุกได้ในชาติปรจบันนี้ทุกทุกท่านเทิน